ความคิดไม่ดีตกค้างบุดความโดยดังตรินจะทำโดยนาตยาสีโพมีความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างที่ตกค้างอยู่ในใจรู้ทั้งรู้ว่าเป็นความนึกคิดผิดๆแต่ก็ตัดไม่ได้เหมือนทำยังไงก็ล้างสิ่งสกปรกออกจากใจไม่หมดอย่างนี้ควรทำอย่างไรดีครับ ตอนที่พยายามจะเปลี่ยนความคิดแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนตามที่เราต้องการนี่ละครับเป็นโอกาสทองที่เราจะเห็นความจริงอันเป็นหนึ่งในแกนความรู้ทางพุทธศาสนานั่นคือความคิดไม่ใช่ของเราความคิดไม่ใช่สิ่งที่บังคับบัญชาได้ตามปรารถนาความคิดเป็นเพียงสิ่งแปลกปลอมจอนมาร ก, กวนจิตใจชั่วคราวซึ่งสรุปย่นย่อคือความคิด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 และถึงแม้เกิดบ่อยดับบ่อยให้เห็นอย่างน่ารำคาญก็ตามแต่ในที่สุดคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเมฆหมอกและเงาดำแปลกปลอมที่จอนมาแล้วจอนไปไม่ใช่นาทีที่คุณจะต้องเสนอหน้าไปรับผิดชอบแต่อย่างใดข้อที่สมให้เฝ้าสังเกตว่าคุณมีใจยินดีไปกับความคิดร้ายๆบ้างหรือไม่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 ขอให้ลองตั้งมุมมองใหม่มองแง่ดีที่คู่อริเราเขาเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ถ้าไม่มีแง่ดีให้มองเลยก็อาจต้องทำใจไปอีกแบบหนึ่งคือเห็นเขาเป็นแบบฝึกหัดหรือเห็นเขาเป็นตัวแกล้งให้จิตใจคุณตกตำ่ำคุณกำลังเล่นเกมโหดๆเกมหนึ่งที่มีตัวแกล้งอยู่กลาดเกลื่อนพอพิจารณาได้อย่างนี้ก็สุดแท้แต่ใจคุณเองละ